สมภัสสยองพระเจอผีที่กุตติเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2556ถ้านับระยะเวลาแล้วมันก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนนี่เองผมชื่อตู่เป็นคนกาลสิน ในตอนนั้นยังบวชเป็นพระอยู่ผมได้ไปจำพรรษาที่จังหวัดพิษนุโลกพอออกพรรษาปุ๊บก็เลยเดินทางมาเยี่ยมโยมป่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิผมออกจากพิษนุโลกเวลาประมาณแปดโมงกว่ามาถึงอำเภอภูเขียวก็ห้าโมงเย็นแล้วพอลงรถที่ปากทางเข้าหมู่บ้านก็เห็นโยมป้าแก้วรถกระบะมารอรับ ป้าแกมากับโยมอุปถากวัดจากนั้นก็เดินทางเข้าหมู่บ้านไปยังบ้านของโยมป้าเมื่อไปถึงผมได้พักฉันน้ำและคุยกับคนเฒ่าคนแก่ที่นั่นจนเวลาล่วงเลยมาเกือบเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วโยมป้าแกก็วันให้คุณตาเดินไปส่งผมที่วัดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของโยมป้ามากนักวัดแห่งนี้มีเนื้อที่กว้างอยู่พอสมควร มีภ้ารูปเดียวเป็นเจ้ า, าวาดอยู่แกอายุแกกว่าผมส4ถึงสีปีลาพันษาก็มากกว่าผมแกมีสิบพันษาส่วนผมมีหพันษาเพราพูดคุยแนะนำตัวกันเสร็จแกก็บอกให้ผมไปจุดทูบเทียนบอกกระดิจ้าววาดรูปเก่าที่มรณะภาพไปเพราะผมทำธุระอะไรเสร็จหมดแล้วก็ขึ้นไปบนกุฏิ ลักษณะของกุฏิเจ้ า, าวาดจะเป็นกุฏิชั้นเดียวอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของศาลาวัดส่วนกุฏิที่ผมใช้จำวัดจะเป็นกุฏิที่อยู่ด้านขวามือหันแล้วฟังกับเจ้ า, าวาดกุฏิของผมนี้มีสองชั้นชั้นบนจะเป็นไม้มีสี่ห้องห้องหนึ่งจะไว้เป็นที่ทำวัดสวดมนต์อีกสามห้องเอาไว้ให้พระกับเนนจำวัด และห้องของผมจะอยู่ติดกับห้องสวดมนต์ชั้นล่างจะไว้เก็บของพวกถ้วยชามมีห้องหนึ่งที่เอาไว้เก็บลงเย็นวันที่มาถึงเนื่องจากว่าผมนั่งรถมาไกลก็รู้สึกเหนื่อยมากเลยไม่ได้ทำวัดสวดมนต์แถมก่อนหน้าที่จะมาถึงวัดโยมป้าก็พูดกับผมเป็นในาว่าบวชมานานแล้วคงไม่กลัวอะไรนะ ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรอยากจะเข้าไปในวัดเร็วๆเพื่อจะได้พักผ่อนเสียทีคืนนั้นเองเวลาประมาณเกือบๆสามทุมขณะที่ผมกำลังนั่งงานหนังสืออยู่ก็รู้สึกง่วงมากเลยผอยหลับไปแล้วผมก็ต้องตกใจตื่นขึ้นพอได้ยินเสียงไม้ท่อนใหญ่มากตกลงมาเสียงดังที่พื้นกุฏิหน้าห้องของผม จะว่ามีคนขึ้นมาก็เป็นไปไม่ได้เพราะผมไม่ลืมที่จะล็อกประตูชั้นล่างอย่างแน่นอนพอมองนาฬิกาก็เห็นว่าตอนนั้นเป็นเวลาห้าทุ่มกว่าแล้วผมลุกขึ้นมานั่งฟังอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงคนเดินหรือเสียงใดๆเลยจึงเงยตัวลงนอนแต่ยังไม่ทันจะหลับตาก็มีเสียงวิ่งอยู่บนหลังคากุดติ ถึงแม้ว่าโดยปกติแล้วผมจะเป็นคนไม่กลัวผีแต่ก็ไม่เคยลบหลู่คืนนั้นมันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนผมหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกว่ามันกําลังจะทะลุออกมาจากอกเงือผมแตกไปหมดทั้งตัวผมนิ่งเงียบฟังเสียงนั้นสักพักมันก็เงียบไปเหมือนกับว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่ทันที่ผมจะโล่งอกได้หายใจหายคอก็มีเสียงเหมือนคนกวาดใบไม้อยู่ด้านหลังกุฏิซึ่งตรงกับหัวนอนผมพอดีผมค่อยๆส่ อ, สองมองลอดช่องหน้าต่างออกไปดูในความมืดแสงจันทร์สลัวทำให้พอจะมองเห็นภาพในบริเวณนั้นได้เลือนลางและผมก็ไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้นเลย ตอนนั้นผมเหงื่อเปียกชุ่มไปหมดทั้งตัวเหมือนกับคนที่เพิ่องอาบน้ำมาใหม่ๆผมคิดว่าถ้ายังมีอีกครั้งผมจะไม่อยู่แล้วคงต้องวิ่งไปหาเจ้าอาวาสที่กุฏิข้างๆเป็นแน่ต้อนรับน้องใหม่แรงขนาดนี้เป็นใครก็คงอยู่ไม่ได้ผมตั้งสติแล้วกลั้นใจพูดออกไปว่าจะทำอะไรก็ทำไปเถอะ แต่อย่ามารบกวนกันเลยวันนี้อาตมาเหนื่อยเลยสวดมนต์ไม่ได้พุกนี้จะสวดมนต์อุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้พอพูดจบทุกอย่างก็เงียบลงแล้วก็ไม่มีเสียงแปลกๆใดๆอีกเลยผมจึงนอนหลับไปรุ่งเชา้าญาติโยมก็พากันนำอาหารมาวาดัดเพื่อถวายให้กับพระสงฆ์โยมป้าผมก็มาด้วย หลังจากฉันอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยโยมป้าก็ทาหน้ายิม้มแล้วถามผมว่าเป็นยังไงอาจารย์เมื่อคืนฝันดีไหมพอพูดเสร็จแกก็ทาหน้าอมยิ้มอีเหมือนแกจะรู้ว่าผมต้องโดนรับน้องเขาแล้วแน่ๆผมจึงตอบแกไปว่าถ้าจะมาถามว่าฝันดีไหมไม่ต้องถามเลยเมื่อคืนเจอดีตั้งสามรอบเลยนะโยมป้า ยมป้าทำไมไม่เตือนอาตมาบ้างว่ากุติหลังนี้มันมีอะไรแกก็ตอบเพียงแต่ว่าถามดูเฉยๆไม่มีอะไรหรอกผมก็เลยบอกว่าถ้าจะถามกันแบบนี้ไม่ต้องมาถามหรอกแค่นี้ก็หลอนจะแย่แล้วเนี่ยถ้าไม่ถือว่าเป็นพระนะวิ่งไปนานแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็ลือกันให้แซบว่า ผมโดนรับน้องใหม่ที่กุฏิหลังเดิมอีกแล้วซึ่งกุฏิหลังนี้ไม่ได้มีพระหรือเนนรูปไหนมาจำวัดอยู่นานแล้วเพราะใครมาก็จะอยู่ได้ไม่นานมีเพียงผมคนเดียวที่พอจะอยู่ได้หลังจะคืนนั้นผมก็ทำวัดสวดมนต์ตามปกติบางคืนก็มีบ้างที่ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีคนอยู่แถวนั้น แต่มันก็ไม่ได้หนักมากเหมือนกับในคืนแรกผมจำวัดอยู่ที่ชัยภูมิประมาณสามเดือนได้จากนั้นผมก็กลับไปยังจังหวัดพิษนุโลกของผมอีกครั้งถนนหลอนซอยเปลี่ยวเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ หนูชื่อแอนมีเพื่อนสนิทอยู่สามคนชื่ออายตูนและโยคนชื่อโยนี้เป็นสาวประเภทสองเย็นวันหนึ่งพวกเรานัดรวมตัวกันจะไปดื่มสังสรรค์ที่บ้านของอายตูนเดินทางไปบ้านของอายแล้วส่วนเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกับโยเพราะ ม, มันขี่รถไม่เก่งก็เลยไปด้วยกันทางที่จะไปบ้านของอายนั้น สามารถไปได้สองทางคือถนนใหญ่กับทางลัดเราคิดว่าถนนใหญ่มีรถเยอะมันอันตรายก็เลยตัดสินใจว่าจะไปทางลัดดีกว่าเราขี่ไปเรื่อยๆจนถึงซอยซอยหนึ่งตอนนั้นก็มืดมากแล้วที่ซอยนั้นดวงไฟข้างทางก็ไม่มีเราจึงถามโยว่าจะไปดีหรือเปล่ามืดจังว่ะไม่มีไฟเลยนะมึง โยก็ตอบกลับมาว่าเออเออรีไปเถอะน้ากูหิวอยากดื่มแล้วมึงจะกลัวอะไรวะเราก็เลยพยักหน้ารับแล้วก็ขี่ต่อไปถนนเส้นนี้ข้างทางจะเป็นทุ่งนาและป่าที่ผ่านมาก็มีบ้านคนอยู่แค่ไม่กี่หลังเท่านั้นเองนับได้ประมาณสามสี่หลังมันมืดและเงียบมาก จนเรารู้สึกกลัวขนลุกตลอดทางจะว่าหนาวก็ไม่ใช่เพราะเราชินกับการขี่รถตอนกลางคืนอยู่แล้วใจเราตอนนั้นอยากจะไปถึงบ้านคองงอ่ายเสียทีพอขี่มาได้อีกสักพักเราก็เห็นเด็กใส่เสื้อขาวดูมอมแมมแต่มองไม่เห็นหน้าเราคิดในใจว่าเส้นทางมืดขนาดนี้ทางทางก็มีแต่ป่ากับทุ่งนา ใครมันจะบ้ามาเดินอยู่ตอนนี้แล้วอยู่ๆโยก็มากระซิบที่ข้างหูเราว่ามึงเห็นปะเราก็ตอบไปว่าเห็นโยมีสีหน้าและท่าทางที่หวาดกลัวมากมันโผล่เข้ามากอดเราเราก็เลยปลอบใจมันไปว่าไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากแต่ในใจตอนนั้นเราก็กลัวอยู่เหมือนกันแล้วโยมันก็ร้องไห้ เราพยายามข่มใจให้เข้มแข็งเขาไว้แล้วก็ขี่รถต่อไปจนเห็นทางข้างหน้าที่กำลังจะสุดซอยเรารีบบิดไปเต็มที่แต่ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้เราหันไปมองกระจกค้างเมื่อหันไปมองก็เห็นว่ามีคนใส่ชุดขาวกำลังคลานตามรถของเรามาติดๆเราตกใจมากจนร้องกรีดรั้น โยก็ตกใจสะดุ้งเสียงร้องของเรามันก็ร้องกรีดไปร้องไห้ไปอยู่ๆหมาก็มาจากไหนไม่รู้มันหอนกันเสียงดังมากดังตลอดทางตอนนั้นเราเห็นว่าสิ่งที่ครานตามเรามาเริ่มครานใกล้เข้ามาเรื่อยๆทั้งๆ ท, ที่เราขี่รถเร็วมากเรามือไม้สั่นไปหมดควบคุมรถแทบจะไม่อยู่ ไม่นานนักเราก็ออกมาจากซอยได้พอออกมาก็มองไปยังกระจกข้างเราไม่เห็นสิ่งนั้นตามมาแล้วเราทั้งสองไม่มีกระจิตกระใจจะสังสรรค์กันแล้วรีบหาที่ปลอดภัยแล้วจอดรถจากนั้นก็โทรหาอายกับตูนให้มารับสักพักอายกับตูนก็มาถึงแล้วเราก็ขี่รถตามกันไปบ้านของไอ พอมาถึงบ้านของไายมันก็สังเกตเห็นว่าเรากับโยกําลังร้องไห้และตัวสั่นอยู่อายก็ถามว่าร้องไห้กันทาไมแต่เรายังไม่ทันตอบคุณยายของอายที่ผ่านมาเห็นก็พูดว่ามาจากซอยทุ่งนาหรือเปล่าเราก็หันไปมองคุณยายแล้วก็พยักหน้าตอบคุณยายหัวเราะลันแล้วก็พูดว่า เจอดีเขาแล้วสิไอ้กับตูนก็ทำหน้างงในสิ่งที่คุณยายพูดแล้วคุณยายก็บอกให้ไปนอนพักคืนนั้นเรากับโยก็เลยไม่ได้สังสรรค์กันเพราะเช้ามาเรากับโยก็เป็นไข้กันเลยทีเดียวเรานึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนจนคุณยายเอาอยากับอาหารเช้ามาให้แล้วยายก็ถามว่า ทำไมถึงมาซอยนั้นละ่ะเราตอบไปว่าโธ่ยายหนูไม่อยากมาถนนใหญ่รถมันเยอะเลยลัดเข้าซอยนี้มาจากนั้นยายก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสี่ห้าวันก่อนที่ซอยนั้นได้มีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นมีพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงไม่ค่อยถูกกันทะเลาะ ก, กันเป็นประจำ จนวันหนึ่งพ่อเลี้ยงก็ทนไม่ไหวเลยตัดขาลูกเลี้ยงออกไปข้างหนึ่งแล้วจับไปเผาทั้งเป็นก่อนตายเด็กคนนั้นร้องหวยหวยด้วยความทรมานเป็นอย่างมากยายคิดว่าวิญญาณของเด็กคนนั้นคงยังเร่ร่อนอยู่ไม่ไปไหนก็เลยมาปรากฏตัวให้เห็นเพื่อขอส่วนบุญพอยายเล่าจบโยมันก็พูดขึ้นมาว่า มึงรู้ป่ะอีแอนว่ามันคลานตามมาจะถึงขากูอยู่แล้วกูเห็นหน้ามันเต็มสองตาเลยใบหน้ามีแต่น้ำหนองไหลยอยู่เต็มไปหมดผิวก็ดำไหมเป็นทั้งตัวเลยกูก็ได้แต่ร้องไห้จะยกขาหนีก็ยกไม่ขึ้นมันน่ากลัวมากเลยหลังจากนั้นพวกเราก็ลาคุณยายแล้วแยกย้ายกันกลับบ้านก่อนกลับบ้าน เรากับโย ก, ก็ไม่ลืมที่จะไปวัดแวทํมบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับวิญญาณตนนั้นเรารู้สึกโล่งใจมากแล้วเราก็ขี่กลับบ้านอย่างปลอดภัยและสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะไม่ผ่านเส้นทางเส้นนั้นในตอนกลางคืนอีกสารเจ้าหน้าห้องดนตรีไทย เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในวันงานกเกษียณของครูที่โรงเรียนผมเองผมกับเพื่อนเป็นนักดนตรีของโรงเรียนครูสอนดนตรีจึงให้พวกผมไปเล่นดนตรีในงานนี้หลังจากที่ซ้อมกันมาพอสมควรก็มาถึงวันงานพวกเราเล่นดนตรีในงานไปหลายเพลงจนจบงานแล้วก็มานั่งดื่มกินกันพองานเลิกทุกคนกลับกันหมดแล้ว พวกเราก็นำอาหารและเครื่องดื่มที่กินกันอยู่ย้ายไปกินกันที่ห้องดนตรีไทยพอมาถึงก็พากันดื่มกินเปิดเพลงเต้นกันตามภาษาไวัยรุนพอเมาได้ทีเพื่อนเพื่อนบางคนก็เริ่มเล่นอะไรพิเรนปาขวดเหล้าที่หมดแล้วโยนไปโยนมาจนขวดนั้นกระเด็นไปโดนสารสารหนึ่งที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าห้องดนตรี เมื่อผมเห็นก็รีบบอกให้เพื่อนหยุดเล่นอะไรแบบนี้แล้วบอกมันให้ยกมือไหว้ขอโทษเจ้าที่ที่ศาลนั้นด้วยความเมาเพื่อนผมคนนั้นมันก็พูดขึ้นมาว่ามันจะกลัวอะไรวะผีนะ่ะมันมีอยู่จริงซะที่ไหนา <laughs> ผมก็เลยเงียบไปไม่พูดอะไรต่อในขณะที่พวกเรานั่งดื่มกินกันอยู่ผมก็มีความรู้สึกว่า เหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ที่หางตาของผมเมื่อผมหันไปก็เห็นสารแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรแกวงอยู่ที่ด้านบนผมค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปมองก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งแกวงขาอยู่ตรงกิ่งไม้ของต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นเธอใส่เสื้อขาวนุ่งจงกระเบียนแบบโบราณผมคิดว่าอาจจะเมาแล้วตาฝาดไปก็เลยหลับตา แล้วลืมตาขึ้นมามองอีกครั้งก็เห็นผู้หญิงคนนั้นยืนขึ้นแล้วมองมาทั้งพวกผมตอนนั้นผมเริ่มใจคอไม่ดีแล้วรีบหันใบสกิดเพื่อนๆถามว่าเห็นผู้หญิงยืนอยู่บนกิ่งไม้เหมือนกันไหมทุกคนหันไปมองแล้วก็นิ่งไปสักพักก็ตะโกนร้องเสียงดังบวยวายและพากันวิ่งหนีสุดชีวิตพอเริ่มตั้งสติได้ ก็พากันค่อยๆเดินกลับไปยังห้องดนตรีอีกครั้งปรากฏว่าไม่เห็นเธอคนนั้นแล้วพวกเราจึงรีบเก็บของปิดห้องดนตรีจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านพอผมกลับมาถึงบ้านก็อาบน้ำนอนเพราะเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วจนเวลาประมาณตีสองเพื่อนผมคนนั้นก็โทรมาบอกว่ามึงเงียบเลยนะอย่าเพิ่งถามอะไร กูจะขอไปนอนด้วยเปิดประตูให้กูด้วยไม่นานนากักเพื่อนผมก็เดินทางมาถึงพอมาถึงห้องมันก็โดดขึ้นที่นอนแล้วห่มผ้าคลุมโปงไม่พูดอะไรกับผมสักคำผมก็เลยปิดไฟแล้วล้มตัวลงนอนแต่พอนอนไปได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเพื่อนผมพูดเหมือนกับละเมอว่ากลัวแล้วอย่าทำอะไรผมเลย มันพูดแบบนี้ซ้ำๆอยู่หลายครั้งจนผมต้องลุกขึ้นมาปลุกมันแล้วถามว่าเป็นอะไรแต่มันก็ไม่ตอบผมเห็นว่าเพื่อนผมมันตัวสั่นและร้องไห้หนักมากจึงไปหยิบน้ำมาให้มันดื่มพอมันเริ่มสงบลงผมก็ถามมันอีกครั้งว่าเป็นอะไรแล้วมันก็บอกว่ามันฝันเห็นผีที่เจอหน้าห้องดนตรีเธอคนนั้นมาบอกว่า ถ้ามึงทำอีกกูจะพามึงไปอยู่กับกูด้วยเธอพูดเสียงดังและน่ากลัวมากภาพนั้นมันวนเวียนอยู่ในหัวของเพื่อนผมซ้าๆอยู่อย่างนั้นมันกลัวมากแล้วหลังจากนั้นมันก็ชวนผมไปเป็นเพื่อนเพื่อขอเข้ามาที่ศาลนั้นและมันก็ไม่กล้าไปที่หน้าห้องดนตรีไทยอีกเลย สมัดสยอง